ยอนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทางสถาบัน ป้องทิน้นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคนนุณธทัมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสาัทธา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 ประกาศแจกใบส้มให้กับสสในที่เชียงใหม่แล้วนะครับืจากการเปิดเผยของนายเสวงบุญมีรองเลขาธิการก็กตนะก็บอกว่ากกตมีมติสั่งให้มีการเลือกตั้งสสเชียงใหม่นะครับเขต8ใหม่โดยพิจารณาจากเรื่องการคัดค้านการเลือกตั้งนะในกรณีที่ปรากฏว่านายสุรพล เียชายกรผู้ได้รับเลือกนะครับของพรรคเพื่อไทยได้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ไว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนนะครับนะซึ่งเข้าข่ายผิดพรบรประกอบรัฐธรรมนูนว่าโดยการเลือกตั้งสอสมาตรา73วรรค2นะครับมีการสั่งระงับสิทธิการรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพลเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา1ปีแล้วก็ ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อให้สั่งให้เพิกถอนสิทธิการรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพลนะดำเนินการต่อไปนะครับเลยโดยจะมีการเลือกตั้งใหม่หลังวันที่9พฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ใช้ผู้สมัครสสชุดเดิมหลือก็เป็นของพรรคอืน่นะครับที่ยังที่ยังเหลืออยู่ก็มาแข่งกันเองนะโดยโดยไม่มี สอสสคือคุณสุรพลนี่ไม่ได้ลงแข่งนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าได้ได้ใบส้มนะใบส้มนะมันมีอยู่หลายใบก็ต้องนะทอมความเข้าใจซึ่งพื่อสุข่าวถามว่ามีความผิดนี่คือกรณีการบริจาคเงินให้วัดหรือไม่ซึ่งนายแสวงก็บอกว่าตามกฎหมายเลือกตั้งนี่ก็ไม่ให้มีการให้ทรัพย์สินกับวัดและกับโรงเรียนนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ กรณีนี้ก็คือนายสุรพลไปมอบเงินทําบุญให้กับวัดจำนวน 2,000 บาทนี่ ก, นก็เลยผิดนะครับก็เป็นเป็ น, ป น, ป น, ปนความตัดสินของกรกต ก, ก็มีผลทันทีแล้วครับก็คงจะไปอุทธรณ์ดีกาหรือต่างๆไม่ได้ก็มีการเลือกตั้งใหม่แน่นอนที่เขตที่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็มีเมื่อวันที่24เมษายน นะในช่วง16น30นาทีสารรัฐธรรมนูญมีการเผยแพร่เอกสารซีชี้แจงต่อสื่อมวลชนก็มีการระบุบอกว่าสารรัฐธรรมนูญก็มีมติไม่รับคำร้องนะครับกรณีที่กรกตยื่นขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาการคำนวณสสบัญชีรายชื่อก็คือปัญหาการใช้สูตรคำนวณนะครับนะว่าจะใช้สูตรไหน โดยมีมติเอกชนบอกว่ากรกตไม่สามารถใช้สิทธิ์ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา210วรรคหนึ่งได้นะครับเนื่องจากรัฐธรรมนูญได้บัญญัติกระบวนการและขั้นตอนในการยื่นคำรนะ้องนะขอให้ศาลวินิจฉัยเนี่ยนะครับมีมีคือมีการกำหนดเฉพาะนะซึ่งแล้วก็มองว่าอำนาจในเรื่องของอการคำนวณ สสบัญชีรายชื่อก็เป็นอำนาจของกะกะตก็คือให้กะกะตนี่ยมีการประกาศมีการวินิจฉัยมีการคำนวณออกมาก่อนถ้ามีปัญหาก็ค่อยมาล้องสารรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็ตีเรื่องกับนะฮะกับก็คงเป็นเรื่องที่กกตนี่ก็จะต้องมามาว่ากันเองนะครับว่าว่าจะเป็นเป็นอย่างไรซึ่งก็คงจะต้องติดตามดูนะครับนะจาก นะกรณีของของศาลที่วินิจฉัยกันมาก็คงจะมีคนะดีเกี่ยวกับเรื่องของเลือกตั้งในทยอยการออกมาเรื่อยๆล่นะครับนะช่วงนี้นี่มีมีมีการนะเชื่อมโยงพยายามที่จะมีการเชื่อมโยงการค้ามนาคมติดต่อประเทศเพื่อนบ้านนะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาในในภูมิภาคกันบ้างนะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับออกจากเรื่องการเมืองมากใน อาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ลัตตีคมานาคมก็บอกว่าที่ประชุมของคอรมออนุมัตินะที่จะไปทำเอ็มอูร่วมมือกับลาวและจีนว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟนะครับนะระหว่างประเทศสามประเทศคือก็เชื่อมจากหนองคายนะครับไปที่เวียงจันที่สปปลาวนะครับแล้วก็ คือจากลาวนี่ยเขาเชื่อมไปจีนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีรถไฟความเร็วสูงกําลังสร้างอยู่นะครับของจีนลาวเนี่ยสร้างกันได้มากแล้วก็จะมาต่อหากับรถไฟความเร็วสูงของของไทยเราที่กําลังจะมีดําเนินการสร้างนะครับจากโคราชไปหนองคายมากรุงเทพเลยจำองนี้นะครับก็คงจะต้องมีการอนุมัติในหลักการนะครับแล้วก็ให้ไปลงนามความร่วมมือดังกล่าวซึ่ง จริงๆก็มีการประชุมประเทศเครือข่ายที่จะอยู่ในเส้นทางสายใหม่หม่ซึ่งเขาเรียกว่าการประชุมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนะครับซึ่งเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศครั้งที่สองซึ่งจะจัดในช่วงวันที่2ี่หถึง27เมษายนที่จีนนะครับซึ่งเส้นทางดังกล่าวที่เชื่อมโยงาจาก ในส่วนของจีนไปยังยุโรปไปยังอาเซียนนะไปยังประเทศอื่นๆได้นะแต่เป็นการเชื่อมโยงกันทางบกถ้ามีการเชื่อมโยงกันสําเร็จเนี่ยจะเกิดการเคลื่อนย้ายทางด้านสินค้าการค้านะการท่องเที่ยวกันอย่างมหาศาลนะครับเป็นการเชื่อมโยงกันทั้งทางารถไฟรถยนต์นะครับซึ่งความาร่วมมื อ, อดังดงกล่าวเนี่ยนะครับนะ<ไ>ก็ก็จะ<ไ> ทำให้ไทยกับจีนเราเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมกันได้นะเชื่อมเชื่อมกันได้นะครับเพราะะนตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับว่ า, าจะเป็นอย่างไรการเชื่อมโยงเหล่านี้มารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ รู้จักสังเกตปัญหาจะหายไทยสามารถขีความดีประกายพนน้ำมันลายความสุขจะคืนอย่าวันยา่าไว้ใจยัง พูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้ดีมีความเคลื่อนไหวที่รัฐบาลจะต่อเชื่อมต่อเน็ตนะครับเนะ็อินเทอร์เน็ตไปยังชนบทนะซึ่งโครงการนี้พูดกันมามานานนะครับเพื่อที่จะให้ไทยเรานี่ก้าวหน้าสู่ยุคยุคดิจิตอล น, นะมี่นะมีความเคลื่อนไหวที่จะกำลังที่จะมีการ ปรับระบบสื่อสารให้เป็น5 g นะซึ่งการส่งถ่ายข้อมูลจะรวดเร็วนะเป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนี่แหละครับนะก็มีการเตรียมตัวส่วนอินเทอร์เน็ตในชนบทนี่ก็ยังช้ากันอยู่นะยังไม่ทั่วถึงนะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้กำลังผลักดันในพิเศษดูลงคะเวโรตต์รัฐตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่าเตรียมเสนอให้คอรมออนุมัติโครงการ เปิดจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนประชารัฐหรือ Open Acces ซนะซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมพวกขนาดเล็ก SME ในชุมชนสามารถที่จะสร้างธุรกิจต่อยอดจากโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐก็ด้วยการเชื่อมต่อจุดบริการอินเทอร์เน็ต น, นำไปวางสายเคเบิลเพื่อเชื่อมต่อไปยังครัวเรือนแต่ต้อง คิดค่าบริการไม่เกินเดือนละ349บาทนะก็ประมาณ350านั่นแหละครับนะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงซึ่งปัจจุบันในส่วนของกระทรวงไม่สามารถที่จะนำโครงข่ายอินเทอร์เน็ตประชารัฐไปให้เอกชนเชื่อมต่อไปยังครัวเรือนได้จึงต้องมีการเสนอให้คอมออนุมัตินะให้กระทรวงเป็นผู้จัดการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตประชารัฐก่อนจากนั้นก็จะเชิญชวน SME ในแต่ละท้องถิ่นมาฝั่งเงื่อนไขนะมาทําสัญญาแล้วก็เปิดจุดเชื่อมต่อเน็ตประชาชนนะก็จะทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นก็ได้มีมีรายได้มีช่องทางการลงทุนนะแล้วก็ประชาชนก็จะได้ประโยชน์นะในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะก็เป็นโครงข่ายที่จะอ่าจะถัดดันนะครับเพราะว่าหลังจางล่าช้าค่อนข้างที่จะ ราชาล้ะครับเมื่อเทียบกับเอกชนนะเราจะเห็นว่าในเอกชนบริษัทขนาดยักษ์ใหญ่อยู่ส่อสามสี่บริษัทที่ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตามบ้านเรือนวนใหญ่ก็จะเน้นตามตัวเมืองนะครับในตัวเมืองตามตัวจังหวัดตัวอำเภอเนี่ยตัวเมืองเนี่ยก็จะมีการวางไฟเบอร์หรือว่าวางวางเคเบิ้ลกันไปทั่วแล้วนะครับนะ มีประชาชนเป็นเครือข่ายแต่ว่าในชนบทนี่ก็ยังยังไปไม่ถึงนะครับยังมีน้อยในการวางสายเพราะในตรงนี้ก็เป็นโครงการที่ที่ผลักดันก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับโครงการอินเทอร์เน็ตของคอรมออนุมัติให้ในส่วนกระทรวงดิจิทัลไปติดตั้งโครงข่ายแล้วก็ผลักดันให้เกิดจุดบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือไวไฟก็เน้น ประมาณ 24,700 ดรอหมู่บ้านวงเงินประมาณหนึ่งหนึ่งพล้านนะครับซึ่งทางกระทรวงเนี่ยมอบให้บริษัท TOT จำกัดมหาชนไปติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายและจุดให้บริการไ i ไฟแทนนะครับก็ให้ทาง TOT ไปติดตั้งให้ครบ 27,400 ็ี่้อหมู่บ้านให้เสร็จสิ้นนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงอาจจะต้องดูว่าเป็นอย่างไรคือคือการใช้ เน็ตที่รัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรก ร, ะ ร, กรนะครับกลุ่มชาวบ้านนะครับได้มาใช้แอปพลิเคชันไลายบ้างนะครับหรือว่าในส่วนของเฟ e บุ๊กในการที่จะเผยแพร่จำหน่ายสินค้าทางกา ร, กรเกษตร อ, ออนไลน์นะครับนะ ก, ก็เป็นสิ่งแปลงแนวคิดที่ดีนะครับเนะเพราะว่ากลุ่มเกษตรก ร, ร, กรต่างๆนะกลุ่มในส่วนของกเกษตร อินซีก็ดีหรือว่าในส่วนของชาวบ้านนะหรือว่าในส่วนของกลุ่มท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการตนเองนะยังนะสู่สาธารณาชนทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่นะ่าควรจะส่งเสริมแล้วครับนะเพราะว่าตอนนี้ในโลกของการออนไลน์โดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าออนไลน์นี่แพร่หลายกันมากนะซึ่งชาวบ้านหรือว่า วัยรุ่นคนรุ่นใหม่ก็นิยมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ถ้ามามีมีการเผยแพร่นะข้อมูลนะสินค้ากเกษตรก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ที่สําคัญก็คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี่จะต้องทั่วถึงก่อนนะครับนะชาวบ้านถึงจะจะจ ะ, จะเชื่อมต่อได้นะครับถ้าไม่ทั่วถึงก็จะจะค่อนข้างที่จะยากอยู่นะครับนะตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับและนอกจากนี้นี่ก็ใ น, นส่วนของอ รัฐเนี่ยจะเริ่มที่จะมีการมาดูแลชาวสวนปาล์ามชาวไร่อ้อยกันแล้วนะครับมีการขยับเพราะว่าราคาปาล์ามนี่ค่อนข้างที่จะตกต่ำนะํำท่านที่ ป, ปลูกปาล์มเนี่ยก็ราคาต่ำนะํำรัฐก็จะเริ่มที่จะมาดูแลเพราะคละมอก็บอกว่าเห็นชอบนะที่จะมีมาตรการที่จะใช้น้ํามันปาล์ามดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้ า, นะ ต, าตามการปรับความสมดุลก็คือ จะให้ในส่วนของการไฟฟ้าเนี่ยรับซื้อปัา๊มมาแล้วก็มาผลิตกระแสไฟฟ้าก็จะทําให้ราคาปล๊มก็จะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นี่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะจะดำเนินการนะก็จะเพื่อที่จะให้น้ํามันปั๊มมีการขยับราคานะก็เอามามาผลิตกระแสไฟฟ้านะก็ก็เป็นแนวคิดที่ เข้าท่าพอสมควรแล้วครับนะพอทานน้ำปาล์น้ํามันปาล์มราคาสูงนี่เกษตรกรมีไรายได้ก็จะมีเงินจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจในระดับฐานรากนี่ก็จะได้เคลื่อนไหวแล้วตอนนี้ค่อนข้างที่จะหยุดนิ่งนะเพราะฉะนั้นนี่ทําอย่างไรที่จะให้ชาวบ้านในระดับฐานลากได้มีไรายได้ก็ต้องเพิ่มราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวราคาอ้อยราคามันอะไรต่างๆเนี่ยต้องต้องเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตอนนี้นี่เรื่องชาวไร่อ้อยนี่ก็ก็เริ่มที่จะหามีการมาสนับสนุนแล้วนะครับในส่วนของรัฐเนี่ยเริ่มมาหนุนเกี่ยวกับเรื่องของราคาอ้อยนะครับนางวรละวันชิดอรุณเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลก็บอกว่าจะสอนอเนี่ยจะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อ น, นําไปซื้อปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็จะเป็นการ ช่วยเหลือเป็นเงิน 3,000 กว่าล้านนะทำให้ชาวไร่อ้อยเนี่เอาเอาเงินนไปซื้อปัจจัยเผลิตนะก็จะทําให้ช่วยลดปัญหาหนี้สินอะไรต่างๆเพราะว่าเราจะเห็นว่าปัญหาชาวไร่อ้อยนี่ก็มีปัญหาอี ก, อ, กอีกแบบนึงนะครับถ้าราคาอ้อยตกตามก็จะผลกระทบกับชาวไร่อ้อยมากเลยทีเดียวนะครับนะเพราะนั้นนี่คงจะต้องมีมีมาตรการที่จะมาช่วยเหลือชาวไร่ชาวนา กันให้มากนะครับเพื่อให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะชาวนาแล้วครับนะชาวนานี่คงทําอย่างไรที่จะให้ราคาข้าวเนี่ยสูงขึ้นน ะ, นะเป็นปัจจัย ท, ที่ที่น่าจะส่งเสริมกันมากเพราะว่าถ้ามีราคาสูงเนี่ยนะครับก็จะมีไรายได้เข้ามาเศรษฐกิจในชนบทจะหมุนเวียนแล้วครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะหยุดนิ่งอยู่จะทําอย่างไรนะครับนะมาตรการที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจในในระดับ ฐานลากนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ราคาผลผลิตทางการเกษตรนี่สำคัญมากเลครับนะโดยเฉพาะราคายางราคาข้าวราคามันราคาอ้อยนี่เป็นพืชเศรษฐกิจหลกัลกๆนะครับที่ที่สำคัญของของบ้านเราก็นะาคงจะต้องช่วยกันนะช่วยกันนะก็คิดว่าหลังจากที่มีความชัดเจนเกี่ยวกักกกกบนะการเลือกตั้งมนะีการรับรองผลการเลือกตั้งการขึ้นมามีการจัดตั้งรัฐบาล ก็เศรษฐกิจน่าจะฟื้นแล้วครับนะเพราะว่านักลงทุนหลายฝ่ายก็รอความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับนะเพราะฉะนั้นนีคงนี้คงจะต้องดูกันต่อไปสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดร์กุลธนันต้องขอลาท่านยายไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ มันไหน ูจุดหมายด้วยความเข้มแข็งที่ตรงนี้มีฉันให้กำลังใจให้เธอก้าวไปและเชื่อมันในจุด